ชมครับนี่คือรายการธรรมะเดลิเวอรี่นะครับผมจะทุกคนชมพุนิย์นะครับและพระมหาสมปองอตาลปุตโตนะครับได้นําธรรมะมาเดลิเวอรี่ถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับกราบนำ้ำมาสการครั บ, าารรบท่านอาจารย์ครับเดนทรพรท่านอาจารย์เชนแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมทางบ้านที่มีธรรมะในใจทุกคนครับผม คือผมว่าหลายๆคนก็มีปัญหาสงสัยเหมือนกับผมจะเป็นพรเพราะเวลาคนทําฟังธรรมะเนี่ยถ้าโตซะหน่อยเนี่ยก็พอจะรับศาสตร์ไปบ้างจะปิปนพรแต่ถ้าเด็กๆลงไปมากๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะบางทีกอไกข่ขคไข่บางียังเบื่ออืมไม่แน่ใจว่าเด็กโตขนาดไหนถึงจะรับฟังธรรมะได้ครับจริงๆเนี่ยแค่โตพอที่จะพูดรู้เรื่องนะสื่ อ, อสารกับเรารู้เรื่องเนี่ยเขาก็ฟังธรรมะได้แล้วครัเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาเหมือนเหมือนน้าเป็นแก้วที่แบบ หงายอยู่แล้ว oh. ผู้ใหญ่บางคนมีความรู้เยอะแต่เหมือนแก้วที่คว่ำ hmm. พูดอะไรก่อนรู้แล้ว hmm. ไม่อยากจะฟังแล้วไม่ได้สนใจ hmm. เด็กเขาเป็นแก้วที่หงายให้น้ํา hmm. เติมทำมาอะไรเขาก็เติมได้ตลอดบางทีง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่ซ้ําไปครับทีนี้ถ้าเกิดเขานั่งฟังนานๆเป็นชั่วโมงๆเนี่ยเขาไม่เบื่อเหรอครับอาจารย์อืมก็ไม่เบื่อนะ ที่ล่าสุดอาตมาไปบรรยายที่โรงเรียนอนุบาลดารวีเนี่ยเขาก็โอ้โหสามชั่วโมงนั่งฟังตาแป๊บเห็นพระมาเนี่ยโอ้โหธรรมะธรรมะเลยทีนี้เมือมาแย่พระเด็ก็เป็นๆเจอพระจริงๆแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็สนุกสนานมากเลยโอ้โหจริงๆแล้วนี่ถือเป็นโจทย์ที่ปราบเซียนมากทีเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงเนี่ยในการถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครเนี่ยถือเป็นเรื่องปราบเซียนมากเพราะควบคุมลําบากนะครับแต่ลองมาดูสิครับว่า ในการรับมือกับเด็กนี่พระอาจารย์จะสามารถรับมือได้ผลขนาดไหนติดตามชมได้เลยครับ อีนะลูกอัญเชลีอัญชลีแปลว่าพนมมือวันทาวันทาแปลว่าวาอภิวาอภิวาสอาบดงลนะอ้าวพุทธมังกรอัญเชลีวันทาอภิวามาว่าด้วยพุทโธเมนาตโมออแล้วก็ขึ้นมา อัญชลีวันธาอภิวาอโมเมนาโถเอออัญชลีวันธาอภิวาสังโคเมนาโถอ้าววาพร้อมกับผ้าจานเลยอัลังสมมาสมพุท์พระเก่า โคตังภะคะวันตัอะภิวาเทมิกราสวะภาตตังภะตะวะตาธรมโมอมนามัสตามิ โสปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนา ม, ามิไหนลองกราบพระอาจารย์สวยๆสยิเพราะว่าที่นี่ทำขวัญประจำโรงเรียนปรัชญาโรงเรียนเขาบอกว่าไงนะ ล, ลูก ถูกต้องโหเก่งมากๆเลยครับเอบอะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันสิครับอันหนึ่งสองสากราบโอ้แบมือได้แบบมือด้วยแบมือสวยๆแบมือสวยๆอาขึ้นอ่ากราบสองสวยๆสวยพร้อมกันหรือ ย, ยังอาขึ้นพร้อมๆกันนะอันเฉลี่ย ก, ก่อนอันเฉลี่อันเลี่ยวันทาวันทาอ่ะพว่า อกราบลงไปรากราบลงไปนผากแกพื้นเลยค้างไว้ค้างไว้เชื่อฟังขยันไม่ดื้อแล้วก็เงยอนหน่งสองาเชื่อฟังขยันไม่ดื้ออ่ะแล้วก็เงยขึ้นไกลละไกลละอันฉลีวันทาอาพิวัฒนเชื่อฟังขยันไม่ดื้ออือแล้วก็เงยขึ้นอัรอบสุดท้ายอัฉลีวันทา อ่ะพีว่ า, วาเชื่อฟังขยันไม่ดื้ด อ, อแล้วก็เหนื่อยขึ้นเอาละนั่งพักที่ยับหรือถัดสมาธก็ได้เอาเชิญ น, นั่งครับผมไม่เห็นขอบคุณเลยขอบคุณหน่อยนึงต่อซ้ำขอบคุณค่ะนะฮะคุ ณ, ค, ณคุณพระนี่วันนี้เจอพระดีใจไหมครับดีใจไหนวันนี้ใครพบกับพระรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นอููููููๆูู พายกจะหลอหล่อเลยร่อเลยพายกก็จะสวยสวยเลยสวยเลยอ่ะอดีใจอามือลงอล่ะลงได้แล้วพนมมือขึ้นมาอยากเรียนเก่งไหมครับอยาไหนใครอยากเรียนเก่งยกมือขึ้นโอ้ยเอามือลงไหนใครเรียนเก่ง อ, อ, อยู่แล้วยกมือขึ้นอ้ยไม่น่าเชื่อตายก ok. เอามือลงไหนใครเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วยกมือขึ้นอุยยกทุกอย่างเลย อยากเรียนเก่งไหมครับอยากอาจารย์จะมีคาถาเรียนเก่งให้อยากได้ไหมครับ <Yeah. S 1> อยากได้ต้องนั่งตัวตรงกดมือกดอกโอต้องห้ามคุยกันนะอมมะนาวก่อนอาปากผมมะนาวหนึ่นงตัวครับลูกเล็กไปเอาอมอมอะไรดีส้มโอเลยเอาาปากเรึ่รงตัวครับวแต่อัจรริยะเลืเกินพำลังเมย์กันมาว่าตามคาถ า, ถ า, ถาเรียนเก่งได้ไปแล้วจะเรียนเก่งว่าตามอาจารย์อลาบกคโต อะรบักเตะโอ้ยจะเปนจริงได้ไงทำไมคาถาใหม่ตาดูยายตั้งหัลาตาทาไมตาดูหูปัง้งสมองคิดจิตจดจ่อให้เข้าใจให้ถามไม่เข้าใจให้ถามกลับไปบ้านพบควนเสมอ จำได้หรื อ, อยังจะมาถามทำไมเนี่ยต้องจาได้อยู่แล้วถึงได้พูดอีกรอบอีกรอ บ, อรอบช้านะตาดูหูฟังพูเฉงเบาจังเลยหูฟังเออหูจะละบาดเลยไม่น่าช้าเด็กอนุบาลเพราะเราอนุบาลอะไรโรงเรียนอะไรคิดว่าผู้ชมทางบ้านจะรู้เรื่องไหมอีกครั้งอีกครั้งโรงเรียนพวกเราโรงเรียน โอ้ยด่าระนีแปลกนะลูกพระอาจารย์ไปที่อื่นนะเขาจะนําสลับกันนะหล่อกิเลสวยกิเลหล่อกิเลสวยน่ารักโอ๊ยมาที่นี่ไม่สลับเลยกิเลกิเลกิเลกิเลเลยว่เรากิเลไหมเรากิเลหรือน่ารักคนน่ารักต้องทำยังไงต้องทำอย่างนี้เลยอันนั้นเราทํำมืออย่างนี้สิลูกเออแม่กองจับเราด้วยอไอ้เนี่ยคนอยากน่ารักขนมือขึ้นมา อีกรอบอีกรอบคาถาเรียนเก่งตาดูห<า>ูฟังส<า>มองคิด<า>อจิตจดจอ<า>ไม่เข้าใจให้ถามก<า>ลับไปบ้านาพบทวนเสมอเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งมาทำท่าทางให้ดูเป็นคาถาเรียนเก่งพระอาจารย์รูปนี้ไม่ธรรมดาลูกเราจะยืนหรือจะนั่งดีเ อ, งดเออรู้สึกตัวเองเตี้ยๆยังไงก็ไม่รู้ เดียวพระอาจารย์ยินได้ไหมครับได้เออน่าจะตัดสินใจเองตรงแล้วได้ครับอ่านี่พระอาจารย์รูปนี้ลักษณะที่โดดเด่นลูกท่านจะมีร่างกายที่ผอมมากอ้าวนี่ผอมหรืออ้วนอ้วนน่ารักไหมได้เน่อยากเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมพระนั่นไม่ใช่แมวเออพระอาจารย์รูปนี้ลูกลักษณะที่โดดเด่นลูกท่านมีรอยยิ้มที่บ่าตา เน่มีคารมลมาจาบาดจิตเพียงท่านยิ้มสักนิดโลกจะเป็นพิษขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์รูปนี้ไม่ธรรมาดาลูกสอนหนังสือหลายแหง่งทํางานหลายอย่างมากมายเป็นท่าอาจารย์ที่ใจดีด้วยถ้าเกิดวันนี้พูดแล้วเด็กไม่ฟังทํายังไงโดครับเลยกระโดดทับเลยโอ้แบงค์หสายคนด้วยกินมาแล้วโอ้โอ้โอโอนีกินเด็กมาแล้วหลายคนโอ้กลัวไหมลูกกลัวไหมลูกโอ้ฉันตัวต้องนั่งตัวตรงตั้งใจฟังต่อไปนี้นั่งตัวตรง เอามือกดอกชูมือขวาขึ้นมามือขวาลูกมือขวาอ่อมือขวาอยู่ทางนี้มือขวาอยู่ทางนี้มือไหนก็ได้ตามใจลูกก็แล้วกันตอกกับปั้นตอกกระปั้นด้วยตอกกับปั้นลูกเออดึงลงแรงๆนะลูกนะพร้อมพูดว่าชุบดังๆอ้าวพร้อมเรียงกันพวกเราชูมือขวาขึ้นมาพร้อมนะพร้อมนั้นึ่งองสามหนมูไม่ดังเลยไม่ดังเลยหนึสองสามหนึ่งโอ้ยเต่าเจอเลยหนึ่งสองสามแทบหนงลูกเอเลคีสแล้วเกิด ทำรุแรงไม่ดูสังหารตัวเองอันนึงหมุนมือพร้อมกัะแน่นแน่อ่าูจแน่นแน่น่อืมน่ารักจริงๆอยู่กับเด็กก็เป็นเด็กกันเราเอามือขวาขึ้นมาพร้อมแล้วหนึ่องชึบโอยไม่ดังเลยหนึ่งสองกงดังกว่านี้หนึ่องกหมุนมือพอวะแน่นแ่อ่าแล้วใช้สองมือตาดูผูไม่ดังเลยตาดูหูตั้ง ส ม, มองคิดอาจิตจัดจ่าไม่เข้าใจให้ถามกลับไปบ้านพบทวนเสมออ้าวดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งสองอืมยังไม่สามเลยพอสาก่อนค่อยชืบนนะดูทั้งสองคนเลยนะดูสองรูปเลยหนึ่งสองพร้อมยังพร้อมีัยพร้อมยังให้พร้อมเมียกันหนึ่พร้อมยังครับข้างหลังพร้อมยังข้อมไนะหยพร้อมเมียกันนะหนึพอสามปุ๊บ ด, ดึงลงแรงเลย อ่ะพร้อมนึ่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมหยังเอ้าหนึง่งสอ ง, สองึงแรงแรงงแรงแร ง, แร ง, แร ง, แรงเอาไหม่นึกพร้อมไหมพร้อมไหมเออนึแข่งกั น, นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงจะสู้ผู้ชายไหมผู้ชายสู้หรือไม่สู้ผู้หญิงสู้หรือไม่สู้หนึง่งวันึงสู้แน่นะอ๋อเด็กเด็กำคานก่อนอ่อนออนะนึพวกเราต้องเอาจริงนะพวกเราต้องเอาจริงนะเออหนึ่งสองสมแน่นแน่นแ ตาดูผู้หญิงไงม่ค่อยดังเลยหูฟังของชิปอจิตกบจะไม่เข้าใจให้ถามกลับไปบ้านพบทวนเสมอเอ้าจบด้วยมือซ้ายจบด้วยมือซ้ายอ่าถูกต้องลูกมือซ้ายอยู่ทางนี้ลูกท่านไหนก็ช่างเถอลูกถือว่าเป็นมือซ้ายก็แล้วกันนะไม่ข้างไหนก็ข้างหนึ่งพร้อมนันหนึ่งอ ง, องไม่ใช่ชิบแล้ว อาชืบมันเป็นเริ่มต้องเปลี่ยนเป็นไอหนึ 1, 2, อ่อต้มหรือไม่ดังเลยหนึอต้นึอตเริ่มไอแล้วลูกแรงกว่านอันนึ่องตไอหมุนมือพร้อมว่แอนิเมะออนิเมะนึ่งอตั้ไออนิเมะอ้าวตอไปนี้เริ่มเลยนะครับอา้ามือขวาก่อนนึอต้โอไม่พร้อมยังอะไรนึตมแน่นโ้ไม่พร้อมน 1, 2, แน่นแนนแนนเอาไหนึ่ง<ๆ>อต้ ชึบเน้นเนนแน่ตาดูยายตะคนะตาบอกแล้วคนตาเข้ามาอีกครังหนึ่งสองขอ ม, มอย่างขออีอยงเลี้ยงสองต้นชึบน้นเ แ, แน่ตา<อ>ีดจดจอดไม่เข้าใจให้กลับไปมาพบทวนเสมอเอาจบพร้อมกันหนึ่งสองต้ ไอ้ยังไม่น่ารักต้องไอแบบญี e> ่ปุ่นดัดๆนีนึงเป็นไอเป็นเออหนึ่งสองก้อนอนิเมะสนุกันาดไหนพวกเราเนี่ยเนี่ยฉะนั้นเวลาเราเรียนนะลูกคุณครูสอนอะไรนะตาเราจะต้องะครชอบภาษาอังกฤษต้องยกมือโอ้ยเก่งอะไรมือนองถามีกว่ารวมภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรรวมรรแปลว่าอะไรลูกรวมแปลว่า ฮ่อนี่สอนผู้ตามรมแปลว่างรมรมจะไ่ายตัวนเลยกล่องภาษาจีนว่าไงกล่องโอ้โหจงจรกล่องไม่กอตายเลยกลงษีว่า้กล่องกลง้า่องๆล่องกน่าจะรวยเสีเงินสีเงินภาาจินาไงสีเงินครถ้าสีเงิน เรจะเปสนที่ดูนรงเรียนเลยแหมน่ากลัว่าเราเปลี่ยนาสามสีจริงๆเวลาเรียตาจะต้องเโอโหจะต้องตามองจะต้องต้องคิดนะถามอะไรต้องถามต้องต้องตอบได้กูถ้าคนไม่คิดเน่นั่งเออเออเู้เรื่อย ไม่รู้เรื่องเลยผมมีคาถาเรียนเก่งให้ลูกติดแล้วครับอาจารย์อภิรักน์มีคนถาอะไรเวาต้องเฉสน่ให้ดีๆบ้างมีเสน่ห์อยากมีเสน่ห์ไหมูกอยากมีเสน่ห์ระมือขึ้นมาอาจารย์อิรักษ์จะสอนอยาใหก่อนต้องปให้ดีๆก่อนเสน่์เสน์ไลูกอารยนี่คือครับเสน่ห์คืออะไรครับอาจารย์เสน่ห์แปลว่าน่ารักอ่านจะตรงนี้เขอนนีจะเสน่ห์แปลว่าน่ารักนเสน่ห์เสน่ห์แปลว่าน่าเกียดเราอยากน่ารักหรือน่าเกียด อยากมีเนรเนียะด้เนียเลยมลูกเนี่ยเขารู้างเดวเยวแม่าอยากมีเน่หรืเนีย์ดอยากมีเรืเนียด้โอ้ดีจังเลยอะเดี๋ยวเราสอนดูครัอเลยปลืมือขึ้นมาปเลยวรดตาเลยาแจะวาตาไผมเเกอนุบาลอยู่อนุบาลการณีอยู่อนุบาลามอ่นุบาอะไร เรียกพวอห้องผมอับปุอับสสียของเด็กไทยเนียงของเด็กไทยมีห้ออนมีหออนหนึ่งหัวออนหัวออนสอออนตาออนสี่หลังออนห้าเข่าออนำได้หรือยัง ้องาหนึ่งทได้แล้วต้องมีผ่าทางด้วยเดี๋ยวผมพูดให้พระาารยได้เเป็นให้ผ่าทางดิดๆยให้ท่าทางดีกว่ายงมีะเีใช่ไหมลูกนังตรงมมีสนะเตองเริมจากตัวตรงก่อนตรงก็จะหล่อก็จะสวยออาพัมือขึ้นปะเพีของเด็กไทยดไทยเด็กไทยเด็กไทยทุกวันนี้ก็จะพูดดีมากนะครับประเของเด็กไทยมีห้าออนมีอนน หัวอ่อนทองปากอ่อนตามืออ่อนปีน oh, like ้งอ oh, um, so yeah. ่อนห้าเข่าอ่อนโหเด็กอนุบาลดารอีเราน่ารักมาป้าเลยครับหน้ารักไหมน้าคนหมวอ่อนเป็นคนยังไงลูกใครตอบได้ยกมือหนึ่งหนูหูหัวอ่อนเป็นคนยังไงครับหมวอ่อนเป็นคนยังไง เขไม่แข็งกอลเลยวออคือเป็นคนว่านอนสอนว่านอนสอนว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายเป็นไงพลมือขึ้นมาโอ้โหว่าตามอีกแล้วครับผมว่าตาพระอาจารย์อภิรักษ์เลยอยู่บ้านอยู่บ้านช่ว ย, ยางานพ่อแม่พ่อแม่รูปที่ดีแทนพ่อแม่ เดกราี้ต้องขอยาวๆตอต้องเชื่อใจต้องขัตัวด้วยอนนเอชื่อใจครับีอยู่ว่างานพ่โอแม่ลกีดีแท้่ยไม่น่า อ, อ, นะอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่โรงรอนุบาลดารวีอยู่โรงอมาอยู่โ ร, ร, รงเรียนก็พออยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียน เคารพคุณครูเคารพคุณครูเรามีพานรู้เรามีารู้คุณครูก็ชื่นใจคุณครูก็ชื่นใจโอยแค่นี้ไม่ช่วยแต่เราต้องใสตัวมากเลยชื่นใจเออหมือนาแพงเย็นแล้วเราก็ชื่นใจเลยอยู่ประเทศไทยไทยต้องเคารพระ้เารเรามีธรรมะเรามีธรรมะระก็ชื่นใจรก็ชื่นใจ อยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ลูกที่ดีแท้อแมกเชื่อใจไหนใครอยู่ที่บ้านช่วยงานพ่อคุแม่บ้างยกมือขึ้นโอยช่วยทาอะไรลูกช่วยทำอะไรครับช่วยทาอะไรครับอยู่บ้านช่วยทำอะไรครับช่วยทอะไรลกเคยู่บ้านไหมอ๋อไม่เคยเคยตังถ้วยไหมเคยซักผ้าไหมเคยเคยตั้งบ้านในเม่ไหมเคยกินข้าวไหมอ๋อถือว่าเป็นการช่วยงานคพ่อคุณแม่แล้วละลูก เพราะว่าการที่ลูกกินข้าวจะทำใหลูกแข็งแง ร, รงตอบดีมีเหตุผลนเนี่ยชื่อน้องอะไรครับน้องอถ้าเกิดเราไม่ได้ช่วยล้างทามเพราะเราจะ็นตัวเล็กอยู่เราทาให้ของแก้มคุแม่ได้ไหนไให้ของแก้มคอแม่เลยครับคุณแม่ดีใจไหมไม่ลาเราของแก้คุณแม่ดีใจไหมครับน้ากลบาให้กับน้องเลยครับคุณช่วยคุณแมเชื่อใจคุณแม่มีกำลังใจด้วยโอ้ถ้าใครไม่เคยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่รู้นะกลับไปบ้านเย็นี้คุณแม่มารับนะไห ม, ม เห็นคุแม่กวาดท้านอยู่ดึงไม้ขวาดเอาจกมือคุณแม่เลยแล้วบอกเลยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวหนูเองเห็นแม่ล้างทามอยู่บอกเลยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเองเห็แม่ซักผ้าอยู่บอกเลยแม่ไม่ต้องเห็นแม่นังทานข้าวอยู่ลูกฟ้าฟ้าเลยบอกเลยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเอง เป็นจแล้วแม่จะอิจฉได้ไงเลลูกเออพี่อยู่้านช่วยงานพ่อแม่ลูกที่ดีแค่พอแม่ก็ชื่นครูโรงเรียนเคารพครูเรามีความรู้ครูก็ชื่นให้โดครูดุไหมลูกดุที่ดุไหมครูใจดีไหมครูน้ำพวกเราไหมเออถ้าเราไม่อยากให้ครูดุเวลาเรานอนเราก็ต้องตั้งใจนะเวลาครูสอนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเวครูพูดเราก็ต้องตั้งใจ ลุงดูก็จะรักเราพ่อแม่ก็จะรักเราอยู่ประเทศไทยต้องเอาลพรนะ้าเรามีธรรมะพระพ่อชื่นต่อไปนี้เราก็เป็นลูกศิษยนะ์พระแล้วระพระอาจารย์สภออัพพิรักอัพิชโยพนมมือขึอ้นอาตางไม่มีท่าทางมาบอให้อาวนะ่างและลูก่าตานลูกติดพระอาจารย์หูเสียงเราเจยลูกติดพระอาจารย์ของขยันขังแข็ง ทำมอเร็วเร็วด้ทำมเร็วเ้วยต้องใครนคันแข่งใครชอบน ouais อนแอ n g เงงนอนนอนอาบตะวันเจียวนี่กเป็นที่หมูเลยใครชอบนอนเ eng เงงต่แหงต้ายแหงตายลูกจิบผ้าอาจารย์ใครล้านคันแข่งใครชอบนอนแอ n g เงง นีตัวดีขนาดแห้งตายแห้งตายแห้แงตายแห้งตา ย, ตา ย, ตายเราเป็นนักเรียนมาตรงตรงัวตรงุเราเป็นนักเรียนเียนอ่านหนังสือไม่หนาเร็วขนาดนั้ น, นเรีย น, นอ่านหนังสือค้นหาคู่มือฝึกฟื้นสมอง อิจิวังิวังแต่ทํามเนี่ยอิจิวังตั้งใจเรียนที่เขียนเก่งโดเลมันโดเมนอันนี้อาตย์สุดนะครโดเลมันนอนลูกเดียวเดียวอ้วนโอ้ตอนแรกไม่อ้วนขนาดนี้ลกสี่อาาสูบลมให้เล้เนี่ย <ble> แรก่อนตัวสบยตัไงคอ่ะเสูบลมพอแล้วจะระเบิดอ้อีกรอบอีกรอบลจาอาจารย์พ่นองผู้หญินผู้หญิงผู้ชายอ่ตั้ลูกศิษย์พระอาจารย์ผู้หญิงสุดยอดสุดยอดย่ขยนขันแข็งใครอบนอนเ e eng ตาย e n ตายเราเป็นนักเรียน เรียนอ่านหนังสือหาคู่มือเปิดเือสมองอิกฉิวสังตั้งใจเรียนจีบเกียนเก่งเอลเมนนอนลูกเดียวเหลียวก็อวนอันนี้เป็นสมรภูเอเลเมนเมนัทเน ตัเรมันนอนลูกเดียวนอนลูกเดียวนอนนนอนนนมองไมนนอนอนอนออิจชิังอิตังตังใเรียนตั้งใจเรียนกิจเช่นเจงกิจเช่นเจงอด r เลตังมาหาตังเลยไปเดเลมันอดอเลมนนอนลูกเดียวนอนลูกเดียวนอน กิวตังอีกกิวตังตังใจเรียนตังใจเรียนขีดเ่กงขีดเกงอโดเลมอนโดเลมอนนอกเดียวนนนนอกกวังอกกวังตังใจเรียนตังใจเรียนอโดเลตั้อยากเป็นโดเมอนอกัง กิ่งต่างกิ่งโดเลมอนอยากเป็นอีกกิ่งตางโดเลมอนใครอยากเป็นอีกกิ่ตายกมือขึ้นใครอยากเป็นโดเมอนยกมืออใครอยากเป็ิ่มดยกมือ้ใครอยากเป็นโดเลตางยกมือขึ้นเดี๋ยวตะโกนทนเลยนี่เวลาเราเรียนลูกมเป็นลูกศิษย์หน้าาต้องตั้งกอานั้นตัตกงก่อนลมือก่อนครั้งโอ้เสีงไม่ดเลยครั้งเราทำสบายปกั เราทำงานทำานจิ blender, <S <s ๋วๆั่นเองหัเราไม่แม่เลยต้องหัวาไม่ใ้ราหัวเราะบบพลชาเรองนงัวเกินไม่เำากเลยานั้นเลยเอาเราเรางาจิวั่อง อาการเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยเจอผีมั้ยครับอืมส่วนตัวพระกับผีคงจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะอัตมาส่วนตัวไม่เคยเจอแต่เด็กวัดอัตมานี่เคยเจอท่านอาจารย์ผมพูดมาให้ฟังนะแต่ทำไมยังขนลูกเลยเนี่ยนะคือตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่นานๆไปนี่ก็เริ่มมีหนองแล้วก็ค่อ ย, คอยบวมขึ้นบวมขึ้นหลังๆต้องเอาเข็มบ่งออกฝี อ, อันนี้มันฝีครับไม่ใช่ฝีครับ อันนี้หมายถึงผีครับอ๋อก็ไม่เคยเจอแล้วอาจารย์เชนเคยเจอ้างนี้ตัวเองไม่ได้เจอโดยตรงแต่ว่าคนใกล้ชิดเคยเจอคุณแม่ผมครับผมท่านเคยฝันนะครับว่าผีเนี่ยมาบอกเลขบอกว่างวดนี้ขอให้สามหนึ่งบอกตรงตรงนี้เลยครับเรากดเอาแม่ขึ้นไปก็รู้ตื่นก็ซื้อเลยสามหนึ่งเลเต็มเหนี่ยวโอ้โหครับผลออกเจ็ดเจ็ด ออกผีหรอกออกคำหนึ่งออกเจ็บใช่ครับคุณแม่ก็ไปเชื่อผีะค่ไผีหลอกซะแล้วฉะนั้นเนี่ยเรื่องผีเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ก็ว่าไปอย่างบางคนกลัวบางคนไม่กลัวแต่เด็กๆเนี่ยผมว่ากลัวเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นพระอาจารย์มีการสอนอย่างไรไม่ให้เด็กกลัวผีครับก็ต้องหาวิธีที่จะให้รู้ว่าจริงๆแล้วผีพวกนั้นมันหาไม่เจออต้องผีอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราจะป้องกันได้โอ้ครับเราไปดูเต็มๆเลยก็เป็นอย่างไรเฉนครับร่วงผีไหมครับ ใครกัวผีบ้างเล่ามึเออเอาไหล้งถ้าพอาจารย์สอนฟองเล่า่องผีฟักระฟังไหมครับแล้วจะกลัวไหมครับไม่กลัวก็ไม่เล่านะเพราะล้งผีเล่าต้องเล่าไห่กลัวจะกลัวไหมกลัวก็ไม่เล่าครับเดี๋ยวเราไม่เล่ากลัวผีก็กลัวผีไหมก่อจะเล่าเรื่องผีต้องรงอมก่อนเดี๋ยวให้คาถาให้ผีมีคาถาให้ผีไห้จะได้ไม่กลัวผีใครใครมีกลัวผีก็เอาไล้ เรามกัวผีเมือทำไมกันผีลูกเราจะกัวผีทำไมลโกเรากินขอมันินได้ไหมได้เพราเรากินนกได้ไหมได้และผีมันกินได้ไหมได้เออแสดงว่าผีมันแข็งแรงเห่อนเราไหมไม่ได้เห็นไหมครับผีมันไม่แข็งแรงเหมือนเราเราไม่ได้กินนมเลยเรากินนมได้ไหมได้เรากินข้าวได้ไหมได้เรามีก้าวเนื้อไหมมีเราแข็งแรงหมได้แลผีมันกินข้าวได้ไหมไมันแข็งแรงไหม แล้วเราจตัวันไหมโอ้ยถูกป้องล้ลูกถ้าเกิดผีมาหลอกเราทำไงครับไม่ยากเลยเรามีดีคอนอ้โหีคนเป็นรอยคนเถ้าเกิดผีมาหลอกเราก็ช่วยลูกี่บนางอทางเผีไม่ได้งงกันหรอกแค่เดียวผีงงคสั่สนในจังหวัดที่เราสั่งบนเราสับ้านเลยหรือถ้าเกิดผีมาเจอเราทับเราไงลูกแล้วก็ปิดไฟแคบของมืดปบงผีมองไม่เห็น คนส่นาประเมินมาว่าตามคาถาไล่ผีว่าตามผีที่เกียรอย่ามาเบียดฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปผี ท, ทีอย่ามาตื้อฉันฉันไม่ต้องการออกไสออกไสสิไปแล้วสิไปแล้ีที่เกีย จะประมุ Elliot, so ่ยใจฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปโอ้โหเสียงดังนี่ต้องแถมให้ผีขี้ชื้อเออขี้ชื้อบโกหกีี้ชื้ออย่ามาดีดฉันไม่โอเค โสีที่เกลี่ยลอยออกไปแล้วที่ที่เล้องออกไปแล้วที่ที่คุยออกแล้วออกไปนีม่มีใครคุยเลย อ, าา อ, อ้โ่าองข้าอ้ไม่าก า, ยย า, กานี่ต่อวปนี้ครับท้าเมืองเราลูกปิดนงปิดน้ำโอ้ยไม่ใครปิดกันเลยั น, นั้นเราต้องประหยัดน้ำประหยัดไฟลูกนะช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟกลับไปบ้านเลยนี้เห็นคุณพ่อนั่งดูทีวีอยู่จับที่หมปปดกินเลยแจ๊กกินทไมลูกเปลืองไจค่ะเห็นแม่ร้าอาหารันกอยู่เปิดไฟปิดไฟเลยแจ๊กกิทไมลูกเปลืองไจค่ะ ต้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยกันโอ้ยบอกครับพยากรเพียงพอสำหรับคนทุกคนแต่ไม่เพียงพอสำหรับคนโลกเพียงคนเดียวเออเอาตะเภาขึ้นมาบางคปลูกต้นไม้มาตะต้นต้นมาไล่จะเหลือไหมไม่เหลือให้เราเลยเอาตะเขึ้นมาพรตาพระตปิดน้ำปิดน้ำอาขาประหยัดน้ำประหยัดไฟปิดน้ำปิดน้ำรเช้าเบาปิดน้ำปิดปิดไฟทุกครั้งล้งใช้เราทได้ ให้นิดเดียวปิดน้าปิดไปครบครั้งหลังใช้นู้ทาได้ง่ายนิดเดียวมีท่าทางประอนให้ด้วยดูภาพกานบอกลบมือ3ามจังหวะลบมือช้าๆสามครั้งก่อนดูก่อนนะดูก่อนนะลงมือสามจังหวะปิดน้ำอ่าตายแล้วก็ขวาดูลงปิดน้ ำ, ำอะไรลงมือ 3, อมอ 3, อมอ3อามจงาังหวะ ปิดน้ปิดไปดลุกหลังหลังใช้เดี๋ยวทาได้ง่ายนิดเดียวโอเย่ายต้องมีโอเยิดท้ายด้วยทำพร้อมอยังพร้อมนะปลบมือสมจังหวะปิดน้ปิดไปดลุหล้งหลังใช้เดี๋ได้ง่ายนิดเดียว โอเยโอเยอเยมันม oh yeah. oh yeah. oh yeah ีความหมายรูปแอร์ตแครงมากโลไปเปิดแอร์บุ uh lá, m, ้งหนึ่าเบุ้งุเป็นพัลยบุ้้เบิดรเลยนากลปเปิดเปิดปิดเปลี่ยนจากโอเย่เปลี่ยนเป็นปิดแอร์สุดท้ายอนะปิดแอร์ขอนรวปิดน้ปิดตพน้ล้าง้นูทําได้ ได้เดียวติ โอ้ยเด็กสาดจริงๆพอไปนี้เห็นใครก็เปิดน้ําทิ้งไว้พวกเราอนุบาลดาราบีต้องอันไม้อันเลอยากจะไปเห็นเขาเปิดน้ําทิ้งไว้อันไม้อันเลยอยากจะไปเห็นเขาเปิดไฟทิ้งไว้อันไม้อันเอยากจะไปเห็นเขาทิ้งขยะอันไม้อันเลยอยากจะไปเปิดน้ําทิ้งไว้อันไม้อันเลยอยากจะไปเปิดไฟทิ้งไว้อันไม้อันเยอยากจะไปวางของเก็บตามอันไม้อันเอยากจะไปข้อคำถามก่อนผ้าตามข้อตามนักเรียนดีนักเรียนดีโปรีไม่เกิน แต่ไม okay, ่ใครตีนะครูตีไม่โกรธครูตม่โธครูทำโทษครูโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดคุณครูลกพี่ดีลกี่ดีถ้าแม่ตีก้องแอบยิ้มแม่ตีอแอบยิ้มเจอไม้เรียวยิ้เจอ้เรียวจะยินแกบยิ้มทางน้าต่อจําจำได้หรือยังจได้อยังถามอีกแล้วต้องจำได้ถึงจะด้อ่ะแตงโง่แตงโอ่ะมาถามลูก ไข่ปลาละแตงโมผลใหญ่ๆไข่ปาเลยเกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเล็กๆเล็กๆนะเล็กๆนะไว้นะพวกเด็กๆํำไว้นะพวกเด็กๆเม็ดแตงเล็กๆกลายเป็นแตงผลใหญ่ทาได้ยังทำได้ยังพูดถ่ายู้นวถู้นิดียวเอามอขึ้นมเอามือขึ้นมาแล้วแตงโมขนใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเล็กๆ จำไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆเป็นแต่งเล็กเานแตงขนใหญ่ไอโม้ขนใหญ่ใหญ่วุนหน้าจะไม่แต่งเๆจำไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆไม่แต่งเล็กเกลยเปแต่งขนใหญ่ไอโม้ขนใหญ่หญ่ตวนหน้าจะไม่ต่งเไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆแต่เล็กกแต่ขนใหญ่ไอโม้ขนใหญ่ว้จะไลกหตอนนี้มันง่ายไปลูกแปลไปจากใหญ่เป็นเล็ก เล็กเป็นใหญ่อะบู๊บูอย่างก่อนแตงโมผลใหญ่ใหญ่เกิดขึ้นได้จากแม่แตงเล็กเจําไว้นะพกเด็กเดกจไว้นะพกเด็กเดแม่แตงเล็กเล็าเแตผลใหญ่หูใหญ่มากเลยานะแตงโมผลใหญ่หญู่ใหญ่มากเลยหูใหญ่ยงกิดขึ้นได้จากแม่แตงเล็กเลกจไว้นะพกเด็กเด จำไว้เอพวกเด็กๆเพื่อแปลงเล็กๆแต่ไม่แลงคนใหญ่แคนใหญ่ใจดขึ้นได้แต่แเล็กๆจำไว้องพวกเด็กๆจำไว้เองพวกเด็กๆเพือแปลเล็กๆแต่ไลงคนใหญ่แปลโมคนใหญ่ใจุขึ้นได้แต่ไเล็กๆจำไว้เอพวกเด็กๆจำไว้เรืองพวกเด็กๆแปลกๆแต่ไม่แปลงคนใหญ่แปลงโมคนใหญ่ใหญ่ดเล็กๆอ่ะคุณพูดหน่ั้งองนรั้งตอนนี้พวกเราเป็นเราเป็นิใจโมร แต่งอนลูกใหญ่ๆหวานฉ่ำมันเกิดมาจากม่ดใหญ่ถึงเ็เล็กโอ้ยเมเใหญ่หือเล็กเล็ดเข้ากับพวกเราเลยอันดน่อนดับสออนบาวเองแต่พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่โตผู้ใหญ่เปนาอาจารย์ตผู้ใหญ่เนครูอาจาก็จะมีความรู้มีคุณธรรมลูกเล็เล็กเม็ดาพวกเราโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเวลาผู้ใหญ่ทะเลาะกันดีไหมโอ้ยดูแล้วตรงเดี๋ยวตอบไปนี้รู้สิอันบหนึ่งอันดับสองอา ให้พูดเฉพาะคําสุดท้ายคําหลังสุดเข้าใจไหมลูกเช่นโรงเร an ียนอนุบาลดารวีเราพูดว่าวีคําเดียวเลยมีคําเดียวโรงเรียนอนุบาลดารวีทีคําเดียวเป็นโรงเรียนที่ดีทีครูผู้ชายก็หล่อหล่อคำเดียวครูผู้หญิงก็สวยสวยเด็กผู้ชายก็หล่อหล่อเด็กผู้หญิงก็สวยสวยเออครูครูก็น่ารักรักเออเวลาพูดต้องไม่คุยคุยอ่าไม่นารักไม่ได้ ถึงคุยก็ไม่ดังถึงฟังก็ไม่ง่วงถึงง่วงก็ไม่หลับถึงไหลไหลเรียนไมถึงจะหลับน้ําไหลก็ไม่ไหลโอ้ถึงน้ำไหลไหลก็ไม่กล่นพวกเราเนี่ยเรียนโรงเรียนอนุบาลดารามีเป็นนักเรียนที่ดีมาเรียนไม่เคยตายนี่แม่มาสายดีไหมไม่ดีผ่านบ้านไม่เคยลอกครูด่าไม่เคยเทียง ดูตีไม่เคยกรดไม่กรดบอกเครียดเครียดูนุ่ง่กด่ายพิบูลมานนที่ไม่จริงเต่าแก้ผ้าหน้าเสารงก็ไม่เคยี่บูมานนท์นี่ไม่จริงไม่จริงอาจารย์สมฟองรูปไม่หลงอขับตัวน้าครับขบหน้าครับถึงหล่ก็เสียงไม่ดีดีก็ไม่มากม่ากก็ไม่น่ารักน่ารักก็ไม่น่าคบจริงหรือเปล่า ขอบคุณมากครับเลยจะหาวาหลอกคนเดียวปิติภิกษุเไม่มีหลอกพระอาจารย์อภิรักหลักพระอาจารย์อภิรักหรอหรือไม่คาเทียนลงคาเทียแล้วอุ้ยเห็นยังี้นะไมเห็นใพระอาจารย์อภิรักหกหรือเปล่าเออมีการไต่แล้วพวกเรากำลังสบายจะตกกันเออ้อมีปาป้าพวเรากลังสบายจะตกกันพวกเรากำลังสบายจะหัวเราัน หาวแล้วกันดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดัดูดาดยดูดูดูดูดาดูดลดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด่าูดูดูดูดูดูดูดูดูดงดูดูดูดูดูดูดูดูกูรูดูดูดูดูดูดูดดูดูดูดูดูดูดูดูดูดู หัวเราน่ารัก55้อก้นหัวเราก็จะักนัเกินเกิน55อหาเรากําลังสบายจหัวเราะันาเรากําลังสบายจม้องไห้พันาเรากําลังสบายจเราดังอไม่ธรรมดาาเรากําลังสบายจมนางต้งโอ้ไม่ธรรมดาต่อไปนะครับเราจะมาพระนอาจารย์จะพาพรปล่อยาลังนะอาจารย์จะดูแลนะพอพระค โยกมือไปนี้ลูกยกยอนี้พเราพอมือลงนนี่ิจไปนี้พวกเราหายหลังไปลูกยามีะอนนะลูกาทีนะครับ่องเครับดูนี่หายหลังลงหาคมจาพุมันก็กลับมานี่ซ้ายขวาซ้ายขวาข้าัขานาอ่มือนี่แกลองีต้ดีนะครับเอา พร้อมนะครับกระมกระเดินโน่เด่เดินโดินน่อกมง่มานมามอจับอะไรไหมทำมอจับไรไหมดีกว่าอ่าจะได้จับแตงไมาไม่ตอบไม่ตอพร้อมนะครับผู้หญิงผู้ชายไม่จผู้หญิงจู้ไม่้แ่ไหนจู้แค่ใดพร้อมจับไรกันมืจับรกันออนิ้วรังมา ไต้ฟ้ากำเดียบเสาเลยเ้านลูกาเยลูก เด็กๆให้ความสนใจกันมากมายเลยทีเดียวครับในตอนต่อไปนี้พระอาจารย์จะเน้นเรื่องอะไรครับเน่ภาคสอนี้เกี่ยวกับพระคุณแม่<อ>แต่จริงๆก็มีคุณพ่อด้วยนะเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจใแต่ก็เน้นคุณแม่มากหน่อยแล้วตอนที่เด็กได้ฟังธรรมานั้นความจริงเรื่องแม่เนี่ยผมว่าเด็กเขาก็ฟังมาพอสมควรวคพระวคุณแม่พราะคุณพ่อขอมีความกระตัญชู เขไม่เบื่อมั้งเหรอครับอาจารย์ครับประมาณเคยลองไข่เน่าอะไรต่างๆบ่อยใช่เด็กๆตรงข้ามเลยนะทานอาจย์เชนครับเด็กๆเขาค่อนข้างมีความสนุกสนานค่อนข้างจะคึกคักอาตมายังอู้หูทำไมเด็กๆคึกคักได้ขนาดนั้นให้ทําอะไรก็ทําทํากิจกรรมก็ทําให้นั่งสมาธิก็หลับตาปีบางคนก็หลับตาเปรือก็มีบางคนได้หลับตาโปเลยมีหลักหลยลักษณะก็เป็นเด็กนะแต่มาเขาแคทำอะไรเขาก็ทําตามดีมากๆเลยนีแอบหลับบ้างไหมครับระหว่างนั้นอันนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะจิตใจเด็กเ้าดีอาจจะมีเผลอหลับๆไปบ้างไม่วลาใจเดีวต้อง โอ้ครับผมคุณผู้ชมครับธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่น่าสนใจมากทีเดียวครับถ้าได้ฟังเรื่องนี้ลองไปดูสิครับเด็กๆ เ, เขามีปฏิกิริยาอะไรกันบ้างครับใครรักคุณพ่อบ้างยกมือขึ้นโอ้ใครรักคุณแม่บ้างยกมือขึ้นโอ้ยเรารักคุณพอ่อคุณแม่ทุกวันไหมไหนอย่ารักแต่พ่อันแม่ลูกนะรักคุณพ่อคุณแม่ต้องทุกวันใครรักคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนลงนั่ตัวตรงๆทิ้ เออแตรองนที่กกลับไปน้าที่เดิมกลับไปน้าที่เดิมก่อนผู้ชายรักคุณพ่อคุณแม่จิงลับน่งที่เดิมพิสูนดีกว่าว่าผู้ชายกับผู้หญิงนะใครจะรักคุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันใครๆรักคุณพ่อคุณแม่มีขั้นตอนตงเอาเมยขวาท่ามือซ้ายดูสิลองดูสิเดี๋ยวจะช่วยดูนะผู้หญิงกับผู้ชายใคระักคุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันเลยขาท่ามือซ้ายทั่ถวตรงแถวตรงที่สวย คุณหญิงนั่งตรงๆลุกชั้นซื้อสวยเก็บท้าซื้สวยขอมือขาตัดมือซ้ายแล้วก็ค่อยหลับตาลงหลับตาลงนะแล้วไหลับตานงซ้หลับตามองไม่เห็นอะไรเลยนื้อสองซ้โอยนุ่มท่หลับตาอุเก่งมากเลยตอนนี้ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงแล้วทีผู้ชายนั่งตรงกลับตาเลยหุยหุยผู้หญิงเท่าับผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เก่งแล้วหลับตาไม่สนใจใครลูกน วันแม่ถ so ้าวันแม่ก็ต้องรักคุณแม่มากๆนะแต่จะเป็นวันไหนก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลยเด็กคุณไหนดื้อนะให้กลับไปนี้คือพ่อคุณแม่ทุกวันลูกดื้อแล้วเกิดโกตไมเี่ยวกับไม่เจอคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงลูกก็กลับไปน้านไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกตื้อแล้วเกิดไม่ให้เจอหน้าแล้วแต่ถ้าลกหน้ารักโลกตั้งใจเรียนเที่ยวตั้งคุณพ่อคุณแม่ ถึเวลานอนนอนถึงเวลากินกินถึงเวลาอาบน้าก็อาบยเจอพ่อแม่ก็ไหวเจอครููก็ไหวเจอญาตาก็ไหวเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไหวพอพูดแม่ชื่อใจเป็นคนหน้าตื่นตรงระตาเรม่องตาเลยนะนตอนนี้ตั้งกติกาว่าถ้าใครลืมตายแสดงว่าไม่รักพพ่อพูดแม่เพราะวาทอเครื่องพ่พ่อพูดแม่ไม่ได้หลับตาเลือดถึงไปหน้าพี่พอแม่เรา ตอนนี้คุณพ่ อ, อแม่เราจะทำอะไรอยู่จะคิดถึงเรามากแค่ไหนโอ้ยลูกมานะจะทางข้าวอิมหรือเปล่อือจะถูกใครแกล้งหรือเปล่าจะนอนหนับหรือเปล่าพ่อแม่เป็น ห, ห่วใจตั้งใจลกูกมันต้องสนใจใครอืมเกเอเนสนใจใรลปกนะตั้งใจลกูกใครหนอรักงเรา เท่าชีวีใครหนอราณีไม่มีเสื่อบลายใครหนอรักเราใช่เพียงรูปตายรักแล้วมิดนายมิดิดทำลายใครหนอเมื่อลงกิ้งใครหนอวิ่งมาช่วยแล้วปลอกด้วยคบหวานตรอดัดให้ ร้องจจรที่เจ็บช้ำพักเป่าไปผู้นั้สที่แท่แม่ฉันเองพระคนแรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประดิ์การศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้ออผ่อนดาน รวมคุณท่านีได้แก่พ่อแม่เราเองลูกที่รักครับในขณะที่เรากำลังก้าวเท้าออกจากประตูบ้านเราเห็นข้าบ้างหรือเล่าลูกว่ามีดวงตาผู้หนึ่งมองตาเราด้วยสายตาที่ห่วงหาอาทรลูกของแม่ลูกของพ่อจะไปถึงโรงเรียนือบ้อดไทยหรือเปล่า ลูกของพ่อลูกของแม่จะหางข้าวอิ่มไหมจะถูกใจหลังแก่รือเ่าปเป็นความรักเป็นความโลภะาอา่อรที่พ่อแม่จะมีต่อเราลูกๆที่นั้นมีพ่อบกรกพ่อตัวหนึ่งลูกพ่อต้องไปทาํางานต่างจังหวัดไกลไม่ค่อยได้อยู่กับลูกก็มีแต่มึงแม่และก็ลูกตัวเล็ก ยังเดินไปได้เลยได้เด็กาไปที่นั้นที่นีดคุณแม่ก็ต้องเลี้ดูลูกน้อยด้วความรักหมดหามอนคุณพ่อก็ไม่อยู่บ้านหาย ไ, ไปเป็นเดือนเดือนไปทาํางานหาเงินหาทองม า, ง า, ง า, ง า, งางให้ลูกได้เรียนได้ใช้ได้กินวันหนึ่งคุณแม่ต้องออไปซื้อข้าวลูแม่จะร่วมลูกไปทัราะแม่ถือของหนั ก, หนกเหลือเกินเขาต้องเอาของไปขายด้วย เออตองของไปขายให้เงินมาจะจะมีเสืญญส้อกัอข้าวมาให้ลูกกินซื้อนมให้ลูกกินก็เลยล็อกประตูบ้านเอาไว้แล้วก็ให้ลูกนอนอยู่ในเตียงลูกแม่เอาถือของหนักขนพลังงูเหนื่อยไหลใครย้อยเหนื่อยมากไปที่ตลเวลาสายแล้วคนแม่ก็ขายยู่คือตู้ก็มีผันข้หาลูกแล้วมีคนสะกนว่ไฟไหม้ไฟไหม้ ไปไม่ห้องแถวไปไม่ห้องแถวคุณแม่ตกใจลูกมองไปที่ห้องแถวคนนั้นโอ้ยนั่นเป็นห้องแถวที่เราอยู่ที่นะคุณแม่วิ่งลูกไป่สนใจสิ่ใจเลยวิ่งไปที่ห้องแถวคนนั้นโอ้ยลูกไฟไหม้หมกระดังลูกผ้าเช่าห้องแถวผ้านแถวนั้นไม่หมดเลยแล้วลูกก็อยู่ข้างในห้องไห้แต่กองมองแง่เอาประตูถูกรองกไว้แม่ก็พยายามจะวิ่งเข้าไป ในบ้านที่ไม่ไดลูกขุนก็พยายามดึแก่ไว้แม่ก็บอกช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยลูกฉันอยู่ข้างในช่ยลูกฉันด้วย่อก็ตัวยเสียง่างลูกทุกคนพยายามดึงแม่ไวแต่แม่ก็พยายามจะทิ้งเขาไปเพื่อจะช่วยลูกได้เพราะลูกร้องไห้กระตองงองอยู่ไปไหในที่สุดคุณแเจาเขานัดจับคนที่ดึงเอาไว้หันบาเข้าไปโดยขาพุทจ้แต่อานิจจาพุทจ้แม่ก็ลืมไว้ในต่า ที่อยู่ที่ตลาดทำยังไงที่เข้าไปก็เข้าไม่ได้หาวิธีเข้าไปก็เข้าไม่ได้ ไ, ไ, ดไ้แต่แตะโนช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยลูกฉันอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายลูกคุณแม่ก็ห า, าทางเขา้าทา ง, ทางาหน้าตาเข้าไปไดแต่อันนี้จะไฟไม่เต็มไปหกดไฟไม่เต็มไปดไฟลางของแม่ คือแม่ที่กอดลูกแน่นหนึ่งล่างตายขงแม่ถูกไฟไหมไปเสียชีวิตทังคู่แต่ลูกนั้นอยู่ในอ้อมกอดของแม่อย่างแท่นส่คืึความรักที่พ่อแม่มีต่อหน้าลูกเราอย่าทื้อลูกนะถึงพ่อพ่อแม่บอกให้หำอะไรก็ต้องเราต้องเชื่อฟังคือพ่อคือแม่น้วยใจของพ่อแม่ที่รักเราห่วงใยเรา ดูรักษานะไม่ต้องสนใจไปดื่มใครที่เคยพื่มกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทางก็ไปทางไปองค์ข้าวอรเออให้เก็บก้างให้ลูกเก็บต้องูแคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เราเลี้ยงตายพ่อแม่ยังไม่ได้แล้วลูกเราเั็ดตัวเลี้อยู่อุประาณสเลี้ยงตายพ่อแม่ยังไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงใจนเลี้ยงใจทายังไงไปติดข้าวก็หอมแก้คุณพ่อหอมแก้คุณแม่ เวลาเขให้อาบน้ำก็อาบน้ำโอ้ยมีการนั่หรือเปล่าลงไม่จันงหรือเปางไมปไม่ไปทาทางบ้านเสร็จว่ายนแห่เมตานอนเป็นลูกพี่พักของคุณพอคุณแม่มีบทเพลงบทหึงลูกพี่เด็กน้อยคนหนึ่งเขาได้รองเอาไว้พ่อที่เขาไดู้เสียงของพ่อ พ่อแม่มีมทุกสามประการลูกทุกประการที่หนึ่งคือทุกเพรอะไม่มีลูกพ่อแม่บางคนอยากจะมีลูกมากหลวงพอ่อวัดไหนดีหลวงพี่วัดไหนดังต้นไม้ที่ไหนศักดิสิทเข้าไปบนบานศ า, าลกล่าวขอให้ได้ลูกแต่จนแล้วจนรอ็ไร่สมบัติได้แต่ชื่อชมลูกของคนดื่นทุกประการที่สทุกเพราะลูกตายพ่อแม่บางคนมีลูกอยู่ในวัยกำลังหน้าละ ลูกก็ต้องมาตายไปเสียก่อนตกน้ำตายมากมาประสบุบัติเหตุบ้างโอ้ยต่างๆมานามากมายหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็เปเผาศพลูกตัวเองเอ้ยทรมานใจมากเลนแอบทุกประการที่หนึ่งเลยทุกประการที่สองอาศัยจากเวลาก็ยังพอสัตยาได้แต่ทุกประการที่สามคือทุกครั้ลูกดื่อลูกไม่เชื่อฟังเป็นทุกข์ที่หนักหนาสาหัสสาดที่สุดเลย ถามัวเองว่าเราเป็นลูกดื้อลูกเก่าไม่เชื่อความุพ่อคูณแม่หรือเปล่านะขออันนี้ทุกคนกระมมือขึ้นเราก็คงจะต้องดื้แ่กเราเราเป็นเด็กเราจะมาขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะขอโทษคุณพ่อคุณแม่ลูกนะกระดมมือ้นไข่ดื้อนะไขุกซนเงินใสลูกนะเหมอนเป็น ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งใดดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเออ พระอาจารย์ไปแสดงคําม้าที่อนุบาลดารวีเนี่ยข้ามีถามตอบอะไรบ้างไหมครับมีมีทั้งคําถามจากนักเรียนแล้วก็จากคุณครูเด็กอนุบาลสามนิดก็ถามแล้วเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนุชชาแล้วก็ปิศัชนานมีคําถามตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยนะครับเราไปชมดูไหมครับว่าถามเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้โอไม่ธรรมดาออค์ ร, ร, รักที่มองในพวกเราท่ความตรงนี้ได้เอาอย่างนี้ วันนี้เรียพระมาพูดเจอแล้วอยากฟังเสียงคุณครูหรือฟังเสียงใครบ้างมีอะไรจะถามบ้างวันนี้พระอาจาร์สุกองคพระรัตโตท่านอาจารย์อภิระอิมาสินตรงนี้อ้าวคุณครูหรือนักเรียนใครอยากถามอะไรบ้างยกมือขึ้นอ้าวโอ้ยยกมือเยอะเลยโอ้ยอาจาร์จารวิคยามอไครับใต้องวเป็นคร โอ้ยทำนมทตอนตั้งบวชเองครับครับอาเปนว่นฐนะี่าต่อตอนี่ในฐานะเป็นชาวพุทธลูกพุทธศาสนาดิฉชนตอนเด็กๆเนี่ยเราก็บวชได้นะแต่ไม่ได้บวชพระต้องบวชเนกเขาเรียกว่าปันประชาสามเณรชาวพุทธคนรควรจะนะบวชนะเขาเรียกว่าเป็นคนสุขพอเราไปบวชพระนะลูก เขาก็จะสอนมารยาทให้เราการไหวการกรการแบกผ่าผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไหวเจอคุณลูไหวกันงเจอคุณลูกเจอนะไหวเจอคุณพ่อไหวเจอคุณแม่พีนาบก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สอนการปฏิบัติตัวเองให้มีมารยาทให้มีคุณธธรรมจริยธรรมคนบควชก็จะเป็นคนที่สุขแล้วหมายว่า ผาการอบรมส่อแล้วโอ้โรกคนละนกับคนถามอีกน้ำเปยอเลยเนยอเลยคถาม่อไปะช่วยให้คนรักกันได้ไหมคะโอโหครกนลน้ำกับคนถามหน่อยรช่วยให้คนรักกันได้ไหมคะได้ได้เลยครับพระให้คุณพ่อคุณแม่รักกันคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันดีไหมไม่ดีเลยคุณพระเขาจะบอกว่าพ่อแม่อย่าทะเลาะกันเดี๋ยวลูกจะเหงา คุณพ่อคุณแม่รักลูกคุณพ่อคุณแม่มันดูลูกอดี๋ยวลูกไหวยเหงาพระก็จะสอนปเทศให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบอกรักลูกนะปากใจให้ตรงการเวลารักลูกก็บอกว่ารักลูกมาดูลูกเป็นลูกรัวคุณพ่อคุณแม่ก่อนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่นะกลูกก็ไปไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าพระพูดให้พ่อแม่ลูกรักกันพูดให้คนใ like นประเทศรักก si ันไม่ทะเลาะกันมีเมตตาต่อกันซึ่งเป็นความรักที่สูงส่ง ให้คนมีเมตตาพ่อแม่เมตตาลูกลูกก็เมตตาเพื่อนเ<ล>พื่อนเมตตาต่อสัตว์สัตว์พระให้คนมีเมตตามีความรักที่สูงส่งต่อกันและกันได้เช่นกันประมวลนะคำถามที่ถามด้วยเองมากๆเลยเอาคำถามต่อไปโอ้โหเดินมาถามจาังๆเลยเดี๋ยต้องมอระวังให้พี่ดีมาเดนิฟอร์ี่เลยถามอะไรโน้ะ อยากเป็นกำลังใจคนอื่นโอ้โหคือเวลาที่มีคนทะเลาะเนาะเวลาราคนแผมไม่อยากทำความดีบางคนพีุ่กพิการไม่พูดชีวิตตั้อยาเป็นกาลังใจใช่ไหมลูกโอ้โหสุดยอดเลยตบนระดแบบเพื่อนเรานะครับกับเลยโอ้โหอนุบาลดาวรบีอนุบาลามอย่างเป็นกลังใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองที่กาลังพัฒนาประเทศก็มีกาลังใจพัฒนาประเทศใครกาลังทำความดีก็ทาความดีใช่ไลูก ใครเคยทำผิดกแก้ไขปรับปรุงตัว่ายเป็นคนดีโอ้โหสุดอดเลับคำถามให้กับเพื่อนเราอีกครัโอุ้ออดสุคถามต่อไปค่ะคุณครูอยากจะถามว่าคุณครูรู้การนะคะควรมีธรรมะข้อใจเป็นหลักในการทำงานคะโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยกระโตกเลยห้กับคำถามก่อนตัวยอดเลยอันดับแรกเลยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะ ครูอนุบาลเหมือเป็นพ่อแม่คนที่สองของเราอยู่แล้วหนึ่งเลยเขาเรียกว่ามีอิทธิบาทสีอิทธิบาทสี่ธรรมะเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จตัวคนหนึ่งมีฉันทะรักในงานนี้รักในการที่จะดูแลเด็กดูแลแม่เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมเหนื่อยนะคนที่อยู่กับเด็กฉะนั้นต้องมีใจรักงานต้องมีฉันทะองสองวิริยะโอ้โหเด็กเยอะแยะมากมายถ้าเราเผลอสตินิดเดียวเลยไม่ได้เลย ต้องมีวิทยามีความเพียรมีความเพียรเพรียงพอต้องมีจิตตะคือใส่ใจโอ้โหอนุมาลดาราเวเนตใส่ใจลูกศิษยลูกหาไหมต้องใส่ใจอย่างมากๆเลยเดี๋ยววิ่งไปตรงนั้นเดีย๋ยวไปตรงนี้โอ้โหต้องตามดูตาม ด, ตามดูตลอดเลยต้องใส่ใจใส่ใจในงานเราใส่ใจในลูกๆเราพ่อแม่สบายใจครูเอาใจใส่เออสุดท้ายทั้งท้ายวิทยาณจิตตะวิมังสาใพภควรพิจรารณาเอโรงเรียนรัมานเรายังบอกพ่องตงัวไหนไหมตัวไหนจะอันตรายกับลูกเราไหม ผัวอนุมาต้องใส่ใจต้องมีวิจารณญาณต้องพิจารณาให้ดีสุดท้ายติดตามนิมังกาใครเกิดพบทวนบรีดีอันไห น, นอั น, น, นตรายกับลูกเราป้องกันอันไหนจะดีกับลูกกับหลานเราทําให้ภาษาติดเก่งภาษาไทยดีเป็นเด็กแข็งแรงปลอดภัยทําตามนั้นฝากอิธิบาทีคุณเครื่องธรรมะที่ทําให้ประสบความสำเร็จผัวอนุมาทุกคนมีอิติบาทีจะประสบความสำเร็จเอ้าเชิญครับามามมจะได้อ โอ้ยนางสามาธิแล้วจะได้อะไรตอนจะรู้ว่านางสามาธิจะได้อะไรต้องนางสามาธิก่อนเอา้าทุกคนนั่งตัวตรงๆทำตามหมดเพลงนี้ลูกอา้ามาดูนะลูกว่านั่งสมาธิจะได้อะไรนะครับทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยมานั่งไปเร้ากับอนุบาลสามโรงเรียนอนุบาลตารวีเลยว่าจะได้อะไร ทำตามโลกทำตามโลกเดยวพี่เขาจะร้องเพลงให้ฟังพี่เขาอาจจะให้โบกมือเราก็ต้องโบกมือพี่เขาให้นั่งขัดสมารเราก็ต้องขัดสมาอันนี้เหมาะสําหรับคุณครูที่จะไปสอนเด็กที่ไม่ชอบนั่งสมาธิบอกคุณครูไม่ตำคำนะคะคุณครูให้ไปเด็กทาตามหมดเพลงนี้ถ้าทําตามได้คุณครูจะไม่พูดว่าให้นั่งสมาธิเลยแต่ถ้าทำตามไมได้คุณครูจะให้นั่งสมาธิสองชั่วโมงเลย ลองดูครับนั่งขัดสมาธินัครัสมาธิขาขาทับขาซ้ายเลยขาขาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายได้ยังทำไม่ได้ไปเป็นไลูกเ้มือขวาหายพักมือซ้ายวางลงเอวางวางวางโอ้โหกตาล็อกตาล็อตาปีลาีจิตใจมั่นคง หายใจเข้าเอาออกซิเจนเอาความดีเอาความสุขเข้าไปเราจะเป็นเด็กดีเราจะเชื่อฟังครูอาจารย์เราจะทกให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจหายใจออกเอาความดือ้อเกินไปออกไปเอาความตนมากเกินไปออกไป เอาความทุกข์ออไปเอาสิ่งไม่ดีออกไปเอาค้าขับวัตถัออกใส่ออกไปลูกถบวัตถัยออกใส่เอาออกไปออกไปอย่าไว้ในร่างกายเราหายใจเข้าเอาความสุขความดีเข้าไปหายใจออกเอาความร้อนเอาความทุกข์ออกไปเอา อ, อกีอาออกคท า, างาาหายใ้เข้าระลึกความสุขค ว, ความสุขความดีความตั้งใจเรียนเท่ากับพ่อคุณแม่หายใ้ออก ออกความร้องความทุกข์ความดื่อความโสดออกไปหายไม่ทำให้ทุกพ่อคุณแม่เหนื่อยไม่ทำให้คุณครูเหนื่อยเกินไปตั้งใจตั้งใจท่านอาจารย์ด็ออร์อาจองค์สุนัสณา ย, ณยุทธยานะทุกท่านนะสอนการทำสมาธิแบบสาบวกพุทธคริสอิสลามพรามหฮินดูซิกทำได้ทุกศาสนาเลยหายใจเข้าตอนนี้ลูกให้เรานึกภาพแสงสว่าง ถ้าใครลึกก้นออกลืมตามองไปที่หลอดไฟลึกแล้วจําแสงสว่างเอาไว้จําได้หรือยังจําได้แล้วหลับตาต่อตาต่อหลับตาต่อหลักตาหนึ่งสองสาหลับตาปีเลยคิดถึงภาพแสงสว่างลูกเด็กกำลบาลสามก็คิดได้นผู้ชมชาวบ้านก็คิดได้นะแสงสว่างเต็มหน้าผากเราเต็มสมองเราไปหมดตอนนี้เราจะคิดแต่เรื่องดีๆเราจะเวลานอนเราจะนอน เวลาคุณพ่อคุณแม่พูดพร้อกับเราเราก็ต้องพูดพร้อกับคุณพ่อคุณแม่ก็ปแต่หอมแก้มคุณพ่อหอมแก้มคุณแม่หอมแก้มคุณครูด้วยเลยเวลามาถึงคุณครูไหว้เราไหว้คุณครูก่อนเลยเจอคุณพ่อคุณแม่เราไห้เลยคิดเป็นเรื่องดีๆตอนนี้ลวดแสงสว่างมาอยู่ที่ปากเราแสงสว่างมาอยู่ที่ปากหรือยังมาแล้วแสงสว่างเต็มปากเราเลยเราจะพูดแต่คํำพร้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะนั่น เราจะมีน้ำใจต่อกันลูกเอยพูดแต่สิ่งเพราะๆไม่ดา่าไม่ว่ากันอือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ดา่าไม่ว่ากันนะเด็กก็ไม่ดา่าไม่ว่ากันมีเพจชมกันเธอดีจังเลยเธอหล่อจังเลยเธอสวยจังเลยคูอมีน้ำใจยังเลยพูดแต่สิ่งดีๆต่อกันตอนนี้เลื่อนแสงสว่างมาอยู่ที่มือลูกมือสองข้างเรานะลูกนะจะไปช่วยเหลือกันและกันลูกจะไปช่วยเหลือเพื่อน พี่เพื่อนล้มประคองเพื่อนขึ้นมาพี่เพื่อนไม่มียางลบหยิบยางลบให้เพื่อนยืมเลยเพื่อนไม่มีสีเรามีเยอะให้เพื่อนยืมเลยมีขนมแบ่งปันเพื่อนเลยเห็นไหมลูกเราไปเห็นพระอาทิตย์ไหมพระอาทิตย์ขึ้นมาส่งแสงสว่างให้แก่โลกนี้เอ้ยคนรวยคนจนพระอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างเท่ากันคนดีคนเลวพระอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างเท่ากัน พระอาทิตย์ไม่เคยหยุดเสาอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ไม่เคยลาคาคร้อนให้เหนื่จะเลยขี้เกียจขึ้นพระอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยทํางานทุกวันทุกวันให้แสงสว่างแก่ทุกคนคนรวยคนจนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาพระอาทิตย์ไม่เคยดูถูกเลยให้ความเท่าเทียมกับทุกคนฉะนั้นขอให้เราทําความดีกับทุกคนไม่ว่าเขาจะสูงเขาจะตัวเล็กตัวโตตัวอ้วนตัวผอมเขาจะรวยหรือจน เราก็จะมีน้ําใจต่อคนทุกคนเลยจเจริญพรในการฟังธรรมะในวันนี้ของคุณผู้ชมและกระผมเองนะครับเราจะได้รับความรู้และประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสมกองตาลพิโตเป็นอย่างยิ่งครับพิวัความยินดี คุณผู้ชมที่ชื่นชอบการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปองนะครับสามารถหาซื้อ VCD ได้นะครับที่ B2S นะครับหรือ CS Book หรือเมชินทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะสั่งซื้อตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับรายได้หลังหักค่า จ, จ่ายเราจะมอบให้วัดพระบาทนำผู้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดสเมื่อกลางเดือนรัชกาที่ผ่านมาวันนี้นะครับเราได้มอบ เงินจำนวน 800,000 บาทนะครับให้พระอาจารย์อารมณ์กดซึ่งท่านเป็นเจ้าว่ายวัดพระบาทนำภุท่านได้ฝากคำชื่นชมสำหรับผู้ที่มีเจตสักทาทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับส่วนตัวก็รู้สึกเป็นโครงการที่ดีนะน่าน่าประทับใจในความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่ทำใหกิจกรรมอย่นี้เกิดขึ้นในในใ น, ในสังคมเรา สังคมก็มีพลังมากขึ้นที่จะช่วยสังคมโดยโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่ได้โอกาสที่วัดบ่าํำพูคนที่เป็นโรคเอด์เด็กที่ติดเชื้อเด็กกำพร้าพวกนี้นะโดยส่วนตัวเท่าที่ได้สัมผัสนะครับความรู้สึกที่มีต้องเรียกว่าซ d ดีนะฮะที่เป็นธรรมะจนกระทั่งปิดปากเด็กที่วัด่า แต่บางทีเนี่ย <c oughs> เด็กก็จะไม่จะไม่พูดคํา ย, ยาว์ยาหรือวลีเนี่ยก็จะพูดมหาสมปองมหาสมปองเป็นประโยคที่ตอนนี้อาจจะพูดใกล้เคียงกันชื่อจะอาวาดแล้วที่วัดพระบาทบรรพูดซึ่งเด็กทุกคนรูนจักแล้วก็ฟังกันแล้วก็เอาธรรมะมาเปิดให้พวกป่วยฟังด้วยก็อยากจะขอเชิญชวนเป็นการส่วนตัวเลยว่าอยากให้ฟังธรรมตรงนีน้เพราะว่าเป็นอะไรที่บังดีสิ่งที่ท่านได้แสดง เอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีอยู่กับตัวเราเี่ยแต่เรามองไม่เห็นอยู่ติดกับเราเนี่ยเรามองสัมผัสไม่ไดเ้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะหยุดทีจะมองจะคิดแต่เมื่อมีคนที่เข้ามาสะกิดมากระตุ้นเตือนให้เราได้มองสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเพออจริงๆแล้วมั น, ม, นมันใช่นะสิ่งที่เราขาดหายไปหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าไม่มีเวลาและโอกาสที่จะไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นท่านก็ได้นํามาให้เราตื่นบ้าง ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพบกับผมและพระมหาสมภองตาลรัตุโตได้ใหม่ในครั้งหน้าเว<ม>ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรู้สึกดีมากเลยนะคะอาจารย์มีวิธีการที่จะเก็บเด็กหมายถึงว่าเลี้ยให้เด็กสนใจพระอาจารย์ในการที่จะพูดนะคะจะมีอยู่อตอนที่อาจารย์บอกว่าให้เด็กๆร้องเพลงแตงโมที่เริ่มจากเม็ดเล็กะคะ่ะก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นการสอนให้เด็ก ให้คุณครูรู้สึกได้ว่าแมสแตงโมก่อนที่จะเป็นผลใหญ่จะต้องเป็นเม็กเล็กๆก่อนแล้วก็คนที่ดูแลก็จะคอยดูแลถนอมทนุถนอมเลื่ถึงจะกลายมาเป็นแตงโมผลใหญ่ที่มีประโยชน์ได้ะคะ่ะพี่ทีเคยดูทีวีนะคะพ่าพระ อ, อาจารย์เนี่ยเขาจะเปิดพวกโฆษณาให้เด็กพวกมหาวิทยายลัยดูแล้วก็พวกเด็กอาชิวะดูแลเห็นเขาร้องไห้นะคะ พอร้องไห้เสร็จแล้วก็เห็นเราธรรมดาเฉยๆแล้ววันนี้พอดีพ่ออาจารย์มาพูดในเราเพิ่งมากเลยว่าเด็กอ่ะห้าขวบอ่ะสามารถพูดแล้วเขาก็ร้องไห้ได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอที่เด็กเขามีความสํานึกว่าทม่อาจารย์พูดไปว่าเออดื้อคนไหนดื้อคนไหนโนทําให้พ่อแม่เสียใจอย่าง้าสำนึกเขาร้องไห้ล้วก็ย้อนมาถึงตัวเราเด็กๆเราก็อืแล้วก็เหมือนกันเราเคยทำอย่างนี้นะก็เลยร้องไห้กับเด็กๆเราก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ จะมีลูกเล่นให้ทำให้เด็กไม่เบือ่อแล้วก็แทรกมุกอะไรต่างๆที่สอนไปด้วยแล้วก็มีมุกตแทรกออกมาทำให้เด็กเขาเขาขำเขาไม่เบือ่อตรงนี้เด็กประทับใจมาก